ไม่ได้ดูให้จิตสงบนะไม่ได้ดูให้มีแต่ความสุขพวกเราอะลาปฏิบัตินะเราชอบทํำยังไงนะจิตฉันจะสงบทําไงจิตฉันจะดีทําไงจิตฉันจะมีความสุขในหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะ้เดี๋ยวตอนส่งกันบ้านใครฟังต้องมีคนถามว่าจิตหนูไม่สงบจะทํำยังไงเนี่ยไม่ได้เรียนให้มีความสุขไม่ได้เรียนให้มันสงบนะไอ้อย่างนั้นมันทําสมถะมันตื้นตื้นเห็นไหม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 ในภาษาไทยนะเซใช่ไหมเกเรเขเฉใชสระเอีนี้บยเบี้ยวทั้งนั้นเลยมีตัวเดียวที่ตรงอะไรรู้ไหมเดนะมีตัวเดียวนอกานั้นเอียงหมดเลยนะส่วนอกักษรที่เอียงเนี้ยอกักษรวหวนันะแสดงความบั่นไหวเคลื่อนไหวเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่บรรณสินต้องเรียนนะพวกเนี้ยเป็นศาสตร์นะศาสตร์ของเสียงนี่ถ้าเราใครฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆคอยดูไป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 ส่วนมากไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมบางคนชอบถามนะเกิดมาทำไมเกิดมาทาไมบางคนถามยิ่งกว่านั้นอีกทำไมต้องเกิดมามนะีอย่างนี้ก็มีนะลึกซึ้งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมีคราวหนึ่งหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงปู่เทศมีผู้หญิงคนหนึ่งนะ่ะร้องไห้มาเลยร้องไห้มารู้สึกภาวนามาช่วงหนึ่งรู้สึกจิตใจแย่มากแล้มาคร่าครวญกับหลวงปู่หลวงปู่ทำไมหนูต้องเกิดมา ห, มหนูไม่อยากเกิดทาไมหนูต้องเกิดมา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 คำว่าธรรมชาติที่รั่วรงก็คือนิยามของจิตแต่ทำไมท่านมีวิญญาณขันธ์สแสดงว่ามีกองของจิตจิตไม่ได้มีชนิดเดียวจิตมีหลากหลายก็เลยเรียกว่าวิญญาณขันธ์อย่กคิดมากหนะ้าเรียนไปแล้วเดี๋ยวจะต้องสอนอภิธรรมกันจิตดวงนี้เรียกว่าวิญญาณจิตดวงนี้เรียกว่ามโนจิตดวงนี้เรียกว่าจิตอะไรเงี้ยเขาแจกแจงได้นะในตารามี